พระธรรมเทศนาแผ่นที่59าลำดับที่15หโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่21ทธันวาคม2554มีชื่อเรื่องว่าพระราชาเจ็ดวันหมุนไปหมุนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเ่ตินฝ้าอากาศ เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็ผ่านไปปีหนึ่งฮะหลวงพ่ออินผ่านไปปีหนึ่งแล้วมาคิดดูเรื่องนี้คิดดูเรื่องนี่ใครได้อ่านไหมหนังสือพยาวีเตศกน้องพญาธรรมโศกพญาธรรมโศกราชพระพุทธเจ้าปรินิพาน ส3 0ส า, สาสกว่าปีแต่นี้พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วก็พญาธรรมโศกเนี่ยพญาโศกสู้รบตบศึกปราบพระเจ้าแผ่นดินในยุคสมัยนั้นลาบคาบเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นมหาอำนาจในแคว้นของอินเดียเป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ แต่ว่าท่านเป็นนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยนแะปลว่าข่าไม่ข่าคนไม่ไม่เลือกเหมือนกันนะก่อที่จะเป็นใหญ่ขึ้นมาเนะี่ยฟังฟังดูละประวัติไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันถ้าจะว่าเหี่ยมนะเหี่ยมจะว่าเด็ดขาดถ้าเด็ดขาดขนาะดอย่าติโกหุติกาใครก็ตามถ้าไม่ไปแนวความคิดระหว่ามีระแวงแคลงใจเนะี่ยแปลว่าจัดการเลย ฟังฟังดูแล้วก็โหเรื่องศึกสงครามเนี่ยไม่มีพีมีนองเหมือนกันนะพราะมันพร้อมที่จะโค่นกันได้เพราะนั้นจะโค่นก่อนลักษณะอย่างนั้ น, นแต่ในท่างก็ปราบประเทศในยุกสมันนะสมัยนั้นเป็นพระเจ้าเป็นดินใหญ่เป็นมหาอำนาจแต่ท่านนับถือพระพุทธศาสนาเอง ท่านเชื่อในพะระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสุดซึ้งเลยทั้งชีวิตจิตใจเลยแต่นั้นก็ใช้การบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายพระสงฆ์ด้วยทั้งสร้างทงวรวัตถุดยอย่างพวกเราเห็นฝีมือของพญาธรรมโสกทั้งหมดนะที่มีเสาปูนมีรูปสิงมีอะไรอย่างชาญจีอินเดียมีถึงเยอะแยะไป พระท่านสร้างพร้อมกันทั้ง8ปด0 0ื0นสี่พันสี่พันอย่างสี่พันชิ้นในยุคสมัยนั้นที่ท่านสร้างใครๆว่าหัวเมืองต่างๆใครมีความสามารถจะสร้างอะไรเอ้าสร้างพร้อมกันนะพวกเรานะเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาลักษณะอย่างไหนอย่างถินเราพอจะสร้างอะไรได้เราก็สร้างลุมกันสร้างช่วยกันสร้างออกทุนกันออกแรงกัน สร้างบูบชาพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ทังหมดแปี่พันพระธรร ม, มขันเพื่อบูชาพระธรรมของพระพุทธเจ้าเหล่0แปดหี่พันพระธระรมมะขันและก็สร้างท้าววอนวัตถุให้ครบ 84% ดหมพันพระธรร ม, มขันอยนั้นแล้วก็ได้สร้างกันพอสร้างเสร็จก็ฉลองฉลองพร้อมกอันอีกเรียกว่าเป็นยกที่เฟื่องฟูที่สุดของพระพุทธศาสนา แต่ท่านมีน้องชายอยู่คนหนึ่งที่ว่าวีตโาโศกอะไรน้องพ่อจำไม่ชัด น, น้องชายของท่านแต่คนนี้ไม่เอาทานทำไมพี่ชายโงมโ ง, มงายนักโง่นักในใจคิดอยู่อย่างนั้นแต่ตัวเองกันนะไม่อยู่ในบ้านในเมืองหรอกถ้าอยู่ในบ้านในเมืองเล้วก็จะไปหาว่าเกาะกลุ่มเพื่อคนพี่ชายแต่ท น, น, นูชัด คู่ชีพแทรกกันคงจะมีพริกมีกเกลือแทรกกันนุ่นะเข้าป่าหาล่าสัตว์ไปสั่งจุดตรงเหมือนกันน้องชายเอาไปในป่ารงพงไพไปเรื่อยยิงสัตว์ไปวันสุดไปเจอฤาษีฤาษีมันอยู่กระดูกในป่าเหมือนกันนะอยู่ในป่ารงพงไพ ลือศีกับพวกสัตว์อยู่ใกล้ลือศีก็มากถ้าลือศีกับพวกสัตว์ลือศีก็ไม่ได้ทำร้ายทาลายสัตว์มีอะไรลือศีก็เห็นโยนข้าวโยนอะไรให้ทามีอาหารลือศีก็ดูแลดือที่มีอาหารมีอะไรก็ช่วยพวกสัตว์ทั้งหลายกับปวนเปียนแถวๆนั้นยีเตศโศนี่กับไปไปพักกลือศีในประวัติของท่าน ถ้ากถามไทยเรื่องความเป็นอยู่ของฤาษีบำเพ็ญตะปาอย่างไรความแนวความคิดของฤาษีในอย่างไรความทุกข์ยากลําบากของฤาษีอย่างไรความทุกข์ยากทางร่างกายเป็นยังไงความทุกข์ยากทางความคิดเป็นอย่างไรมีความคิดอย่างไรขณะนี้ที่มาอยู่ในป่ารงพงภัยอย่างนี้มีความคิดอย่างไรถามหมดเหงือนกันแต่พราะคนมีปัญญาเนยคนในเมืองต้องถามคนบ้านนอกเหมือนกัน เนี่ยบันท่อง ก, ก็ซื่อๆก็ตอบตรงๆเลยเนีถามตรงๆบอกตรงๆเนีถามความทุกข์ยากลําบากแต่ฤๅษีนี่ตัวสะพังด้วยเส้นเอ็นพบมันจะมีอะไรไม่แต่กินใบหมักเมากินใบไม้อาหารก็ตามมีตามเกิดเส้นเอ็นสะพั่งไปหมดจ่อยผอมผอมมากฤๅษีมีแต่ชะดามีแต่หนังเสือ มีผ้านุ่งเปลือกไม้ใบไม้เปลือกไม้ไมไมทุบเปลือกไม้มาทําเป็นผ้าหนุง่งถ้ามีหนังเสือก็เอาหนังเสือขังขังหน่อยก็หนังเสือมาเป็นเครื่องพาดบ่าเป็นผ้านุงน่งนุ่งหนังเสือใส่ชะดาเน่ยนี่นนะบีเตอร์โโซก็ไปคุยสนทนากับลือสีลือสีก็เล่าความในใจให้ฟังทั้งหมดแต่ทางลือ ถามฤาษีว่าฤาษีมีทุกข์อะไรบอกว่าเนี่ก็ตามประสีภาษาอาหารการบริโภคภายนอกผลละหมากรากไม้ก็มีบ้างใดบ้างกินบ้างอิ่มบ้างพอประทางชีวิตเน่ยก็ก็ร่างกายแต่ต้องเป็นอยู่อย่างนี้แต่ส่วนจิตใจแหละท่านฤาษีท่านคิดเรื่องอะไรท่านมีความมุ่งมั่นอะไรท่านมีความตั้งใจอะไรท า, ทางถามฤาษีฤาษีก็ตอบให้ฟังตอบให้ฟังที่สะดุดใจของพยาววีทศก พราะพราะชายหนุ่มน่ก็คือตรงที่ลือสีตอบว่าที่ทุกข์ใจลำบากใจทุกทุกข์ใจของเราก็คือคือเรื่องการมกิเลสเรื่องการมลาคะอย่างที่พระพุทธเจ้าไปนั่งภาวนาแลไปสู้กับนางตันหาราคาอรดีอย่างนั้นคือตัวเดียวกัน ราคะตันหาแต่นี้พญาพลื้ีนี่ก็อยู่ในปา่าเขบอกว่าเวลาเห็นพวกสัตว์พวกแก่งพวกกวางพวกหมูป่าพวกอะไรสมสู่กันน่ยใจของเราหวั่นไหวใจของเรามีทุกข์เพราะสัตว์เหล่านั้นสมสู่กันแต่นี้บีตาโศกนี่ก็พอได้ฟังเท่านั้นลื้อสีโอ้โหขนาดลื้อสี ผอมขนาดนี้สพังโดยเสซนเอ็นขนาดนี้ก็ยังมีความทุกข์กับเรื่องกรรมมกิเลสภาษาอะไรพระในพระพุทธศาสนาเนี่ยที่พี่ชายเราเลี้ยงดูอย่างดีพญาทำทำมรโศกเลี้ยงดูอย่างดีนะกินอาหารดีๆขนาดนั้นแล้วเรื่องการมมกิเลสจะขนาดไหนแต่ขนาดลือศีอยู่ในป่าอย่างนี้ก็ยังขนาดนี้ อันนี้ก็คือความคิดชุดโตงเลยท่านเลยพอออกมาเขาก็พูดเลยอยผมไปพบฤาษีอยู่ในป่านะผมถามดูแล้วเรื่องนี้เรื่องกิเลสตัณหาเรื่องกามรกิเลสเนี่ย น, นะเหยียบจมหัวใจของนักพจนักปวดพระเจ้าแป่ดินขขาเล่าเลยเป็นอย่างงี้งั้นก็พูดไปเลยท่านเลยคาพูดของฝ่ายชายมันกระดังไปทุกแห่งหนนะึก็ทําให้พระเจ้าแป่ดินเอ้ เราจะแก้เผ็ดยังไงเราจะแก้เคสยังไงเราจะแก้ยังไงความคิดเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้พี่ชายก็หาอุบายพาหาอุบายเสร็จแล้วก็ก แ, น แ, นแนะแนวให้ใหพวกเสนาอํามาดมหาเล็กที่อยู่ใกล้บอกเอ้ยมหาเล็กให้พวกท่านทั้งหลายเอาเครื่องทรงของพระราชาเนี่ย เครื่องทรงอย่างของเราเนะี่ยแต่งตัวเต็มยศไปแนะให้อนุชาน้องชายของเราแต่งด้วอซิแต่เมื่อแต่งเสร็จแล้วให้มาบอกเราในขณะแต่งนี่ให้มาบอกเราแต่ก็ให้แต่งให้แต่งตัวเต็มยศเหมือนพระราชาจะก่อมยังไงก่อมเขายังไงให้เขาแต่งตัวเต็มยศเหมือนพระราชาบอกว่าเนี่ย พระเจ้าพี่ก็อายุมากแล้วพระองค์ก็กำลังหนุ่มแน่นต่อไปจะได้ครองราชในเมื่อครองราชก็คงจะเป็นพระราชาหนุ่มรอเนี่ยอยากจะดูแลเกินอยากจะดูก่อนแล้วเกิดว่าแต่งตัวเป็นพระราชาแล้วจะเฟี้ยวขนาดไหนจะสวยขนาดไหนดูท่าทางจะดีขนาดไหนอยากจะดูไง พวกนี้ก็ขยันขยอทีแรกก็เอยอย่าอย่าอ ย, าอยาไปแนะดำพี่เตโซ่ไม่ไม่ไมคอขาดเ้าใจไหมไปแต่งได้ยังไงเมื่อพระเจ้าพี่ยังอยู่ยใครจะไปเห็นอยู่ในห้องเราปิดประตูอย่างดีขนาดที่ใครจะมารู้มาเห็นมาตดลองดูนะวนพวกหาเรื่องผลที่สุดก็เลยเขาพูดต่อหลายครั้งตึก ก็ตอไลาโหดนไมกิเลสในใจมันความมักใหญ่ไฟสูงมันก็เกิดขึ้นมาเลยทต่ไหอแหเอาทดลองหน่อยสิว่าจากนั้นเขาก็เอาเครื่องพลาชามาก็ใส่ทรงใสแตงตรงทรงตัวเข้าไปแล้วแต่ไหนใส่จดงใส่จดาใส่พระแสงขันพระแสงดับครบพกอย่งพวกนั้ก็ป้าแป๊บไปก็ไปบอกพระเจ้าทรรมโศกนี่เป็นพี่ชาย แน่พอเสร็จไปบอกป๊บพระเจ้าท่านก็เสด็จมาเลยกับพวกมหาดเล็กทหารน่ยไปที่ไหนเขาพระเจ้าไปฏิงก็ต้องมีทหารอยู่แล้วมหาดเล็กอยู่แล้วเนี่ยรักษาพระองค์เอีพอเปิดพอมาถึงกับเปิดประตูปั้งเข้าไปพอไปอ๋อวีจะโศกน้องชายแต่งตัวเต็มยศในห้องเนี่ยเอออันนี้คืออะไรเนี่ยจะโค่นอานาจแล้วเนี่ยปฏิวัติแล้วเนี่ย ฮะเอามหาเล็จับมหาเล็กก็ลมจับเลยทีนี้โอ้ยน่าเีดเลยทีนี้ทําอย่างนี้ได้ยังไงเราจังเป็นพระเจ้าเป็นดินยังสมเต็มที่อยู่จะมาแต่งตัวขึ้นมาอย่างนี้ได้ยังไงฮะอะไรเนี่ยทํำไมเป็นอย่างนี้วะจับไปขังเขังกับปักประ ก, การแล้วไงจะโทษประหารประหารสถา น, ถานเดียว ไม่มีหนึ่งหนึ่งไม่มีสองโทษอย่างนี้ต้องประหารจะแสดงว่าจะคอนอํอนาจเออคนอํานาจแต่งตัวอย่างนี้จากนั้นก็ผู้แม่นะ่ยทีเดียได้ยินว่าอย่างนั้นกับพ่อแม่โ อ, โอ้เข้ามาขอลูกโอ้ขอลูก ข, ขอเธอเธอรวยขอไปจะโทษให้น้องเธอไม่ได้เอมันโทษอย่างนี้มันโทษประหารอย่างเดียวชัดเจนเหลือเกิน โภนิสึก ข, ขอไปขอมาเออเอาจะอนุญาตให้ให้เป็นพระเจ้าปิตินเจ็ดวันจะอนุญาตให้เป็นพระเจ้าปิตินเจ็ดวันเพราะในพระอนุชาในฐานะน้องจะโทษึงคือโทษแต่อนุญาตให้เป็นพระราชาเจ็ดวันจากนั้นเขาก็อนุญาตเสร็จแล้วเขาก็ตกแต่งห้องอย่างดีเลยให้พระอนุชาเป็นพระพระลาชานั่งบันลังอยู่เจ็ดวัน เออพอในห้อง พ, พระพระาชามีความสุขอย่างไรไนงะพาน้องชายก็ต้องมีความสุขอย่างนั้นเปลี่ยนเป็นพระราชาเจ็ดวันมีทั้งดนตรงดนตีนาลีภาเซอะไรครบถวนบริบูรณ์ว่างั้นอยู่ในในห้องเออแต่ก็ให้พระราชาเนี่ยขึ้นไปนั่งบรรลังนั่งอยู่ที่พักเออโดยเฉพาะยางยิ่งพวกสนมนาลี เอาให้เต็มเหนียวเลยว่าพระราชายเจ็ดวันนะแต่พรตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าพอเป็นพอเป็นรุ่งวันใหม่ห ก, หกโมงเช้าเนี่ยเขาจะมีปิดพวกนันกนเล่นต้นตีลงต้นลงตีขบกอมทั้งวันเหมือนกันพอถึงตอนเช้าปั๊บมานได้ยินเสียงไอ้ดนตรีอพวกตแตรไอ้พวกแตรพวก กังสดานพวกอะไรที่ที่สมัยก่อนเวลาเขาจะตัดคอคนเขาจะต้องมีดนตรีประเภทนี้ขึ้นมาถ้าโทษก็นในโทษหนักโทษประหารก็จะมีดนตรนีเหมือนกับแตรลักษณะอย่างนั้นแหละเป่าขึ้นมาพร้อมกันเสียงตัต้งตัต้งตังต ง, งเพชรขาดโผล่ออกมาจากม่านปีม่มานสีแดงโผล่ออกมาจากม่านปุ๊บ ยกดาบขึ้นมายกดาบขึ้นชูดาบขึ้นมาพระองค์สวยราชวันที่หนึ่งแล้วพระเจ้าค่ะยกดาบขึ้นมาพระองค์สวยราชเป็นพระราชาวันหนึ่งแล้วพระเจ้าค่ะเพราะวันหนึ่งแล้วก็ยังเหลือหกใช่ไหมล่ะแบบนั้นผ้าม่านก็ปิดป๊บหายเงียบไปพวกดนตรีก็เล่นตามปกติ วันที่สองก็อีกอย่างนั้นเหมือนพอหกโมงเช้ามาก็เปิดม่านปุ๊กยกดาบขึ้นมาอีกพระ อ, องค์สวยราชเป็นวันที่สองแล้วพระเจ้าข้าปิดอีกพอวันที่สามก็เช่นเดียวกันก่อนที่จะยกดาบขึ้นมาก็ต้องมีดนตรีเสียงกล้าวนะจากนั้นก็ยกดาบขึ้นมาก็นนั้นปิดพระราชาเอ๋เอวี เ, เตโศกเฉวยราชจุดเจ็ดวันนี้ คอตกตลอดคิดแต่ว่าวันที่เขาจะตัดคอเนี่ยจะทำยังไงไม่ได้คิดสนุกไม่ได้คิดสนานไม่ได้คิดเพิดเพลินไม่ได้คิดอะไรกับใครทั้งหมดใครจะหัวเลา ะ, ล ะ, ะสนานวันไหมขนาดไหนแต่ฟ้าชายวี XV, ติโซกนึ่มิแต่คอตก เ, อเพราะว่าถึกนึกถึงความตายเจ็ดวันนี้ พอถึงวันที่เจ็ดก็บอกว่าเนี่ยครบครบทวนละครบทวนบริบูรณ์ก็เลยประยา ท, ทำไมโสกเลเรียกน้องชายไปเอาเข้าไปาก็เป็นนักโทษโทษการโทษการเมืองโทษประหารก็ปิดตัวนั้นก็ปิดม่านเพราะว่าจบของราชเจวันนั้นก็อไปหาไปเจ้าพี่เจ้าพี่เลยถามว่านี่นะวิศโศเป็นไง เป็นพระราชาอยู่เจ็ดวันบริบูรณ์หมดทุกอย่างเรื่องรูปเสียงกินลดสัมผัสรูปเสียงกินลดสัมผัสให้ทุกอย่างเลยเป็นไงมีความสุขไหมพญาน้องชายบอกาโอ้ข้าพระองค์หาความสุขไม่ได้เลยพระเจ้าข่าทำไมเพราะความตายมันอยู่เบื้องหน้า คิดถึงคิ ด, คดถึงมันมีแต่คิดทิศถึงความตายมันเลยหาความสุขไม่ได้พยาคาอา้าวไม่สุขได้ยังไงเราก็ให้ทุกอย่างเนี่ยอบอกว่าใหม่มันทึกคิดถึงความตายหาความสุขไม่ได้มันมีแต่ความว่าเราจะแก้ไข ย, ยังไงเราจะทำยังไงมีแต่ดูตัวเองนี่แหละพยาวีโศกดตสอนน้องชายเลยบอกว่านี่แหละวีทศ อันนี้เราบอกเธอสอนเธอให้รู้สึกสำนึกพระในพระพุทธศาสนานี่ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนพระสงฆ์ให้ระลึกถึงความตายอยู่เสมอให้เห็นความตายไปอยู่เสมอเธอว่าการมกิเลสมันจะเกิดขึ้นได้ไหมถ้ามันเป็นอย่างถ้าปฏิบัติตามำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงความตาย อูทุกลมหายใจเข้าออกการมกิเล็ตัวนี้มันจะเกิดขึ้นมาได้ไหมเขาก็ยืนยันเต็มที่เลยเพราะว่าเขาเจอมาแล้วเจ็ดวันใช่ <c oughs> เกิดไม่ได้พระเจ้าข่าเออเนี่แหละเธอจงฟังเอาไว้เธอจะไปคิดหน้าเดียวเอาที่เราทําไปเนี่ยเราสอนเธอเท่านั้นละ่ะเราไม่ได้คิดอะไร เ, เราไม่ได้คิดอะไรนอกนั้นเอาให้อภัยอย่าโทษ จบนะครับพระเจ้าค่าะก็ผมขอลาบวชขอพรลาพระเจ้าพี่บวชเออาบวชได้ท่านก็มาบวชในพระพุทธศาสนาไม่นานท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหรนะนะนะันต์นั่นแหละที่เขาวิเลตจดหนึ่งไปสุดโต่องอีกเหมือนกันแต่พอเข้ามาบวชแล้วก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์นี่แหละนะ อันนี้คือพระพุทธเจ้าของเราปรินิพานได้ส3 0สกว่าปีพญาธรรมโสกเป็นใหญ่ในประเทศอินเดียที่สร้างท้าวรวัตถุไว้ในพทธศาสนามากมายมหาศาลแต่น้องชายพระอนุชาเนี่ยมีความคิดเห็นสิกแปลกออกไปจนพี่ชายไม่รู้จะแก้ไขยังไงเพราะน้องชายออกมีความคิดอย่างหนึ่ง ผลที่สุดนนะจัดการได้ลงอย่างราบคาบเลยจนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจนได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลได้เป็นพระอระหันต์นี่แหละอันนี้เป็นแนวข้อคิดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเรื่องพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละลึกถึงความตายนั่นคืออะไรก็เลยลึกถึงความตายวิอยู่เสมอจะเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสิ่งไหนที่ควรจะทา สิ่งไหนควรจะดำเนินการในชีวิตของเราอย่าไปสนุกสนานออกนอกหลู่นอกทางให้ระมัดระวังสิ่งไหนที่มันจะถูกต้องสิ่งไหนที่มันจะเป็นธรรมสิ่งไหนที่มันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อตนเองต่อสุมชนอย่าให้ใครอื่นเดือดร้อนตนอย่าได้เดือดร้อนคนอื่นอย่าได้เดือดร้อนให้พวกเราทำด้วยความ ตั้งใจให้มีความผาสุกทั่วหน้ากันนั่นแหละคือความถูกต้องนั่นแหละคือความเป็นธรรมในหลักกลงของพุทธศาสนาท่านให้ให้ระลึกถึงความตายท่านให้ระลึกอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าทึกถึงความตายเลยวก็จิตใจโหดหูหมดกำลังใจไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรไม่ใช่อย่างนั้นทึกยังไงมันก็จะตายอยู่แล้วก่อนที่จะตายก็ควรจะฝากคุณงามความดีไว้ให้แก โลกของเขาได้เห็นไม่ใช่ว่าจะปากฝากความชั่วซ้าเสียหายให้แก่โลกเขาได้เห็นได้ยิ น, นอ้าวรับพ่อนทอนี้นะ